และจะต้องรู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาในเมื่อเกิดเจ็บป่วยจะต้องรู้จักอดทนต่อถ้อยคำจ่วงจากลวงเกิดหรือแม้ถ้อยคำที่ยกยอปอปั้น เหล่านี้ต้องอาศัยอธิวาสนะขันติดังกล่าวทั้งนั้นจึงจะทำให้ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจนี้มีความผาสุกและดำรงอยู่ในดีนอกจากนี้อธิวาสนะขันติ คันติคือความรับไว้ได้ยับยังไว้ได้ต่านทานไม่ได้นี้พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายยังได้ทรงใช้และได้ใช้ระ ง, งับ ทุกขเวทนาระับอาพาธที่มันเกิดขึ้นในโอกาสต่างๆอีกด้วยดังที่ได้มีแสดงไว้ในพุท ธ, ทธประวัติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประชวร ด้วยโรคาพาฒมีภูมีทุกขเวทนาแม้แรงกล้าแต่ก็ทรงระ ง, งับได้ด้วยอธิวาสนะขันติดังกลาง่าวและเพราะเหตุที่พระอธิวาสนะขันติของพระองค์นั้น มีพลังที่แรงกล้าจึงสามารถระงับทุกขเวทนาระงับอาพาธ น, น, นั้นได้ปรากฏว่าได้ทรงระงับทุกขเวทนาและอาพาธต่างๆด้วยอธิวาสนาขันตินี้ มากครั้งแต่ในบางครั้งก็โปรดให้หมอชีวโกโกมารพัดถวายโอสถรักษาเพราะฉะนั้นอธิวาสนะขันตินี้ เมื่อได้ฝึกปฏิบัติให้มีอยู่ก็ยอมจะเป็นประโยชน์มากว่าถึงในคราวป่วยไข้เมื่อให้หมอรักษาไปด้วยและชายอาธิวาสนาคันดีประกอบไปด้วยก็ยอมจะทำให้ การรักษาพยาบาลสำเร็จได้ด้วยดีเมื่อเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่พอจะรักษาได้ก็จะทำให้รักษาได้ง่ายขึ้นเมื่อป่วยแม้จะมากก็จะน้อยเข้าจนถึงหายเมื่อป่วยน้อยๆก็อาจจะหายไปได้ ด้วยกาลังอธิวาสนาขันตินี้เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะอันสำคัญที่ทุกคนจะพึงมีเอาไว้ด้วยการที่ฝึกขัดปฏิบัติให้มีความอดทนให้มีน้ำปวดน้ำทน ให้รู้จักกดกลั้นอันหนึง่งธรรมะที่คู่กับขันติก็คือโสนัจักที่ท่านแปลว่าความสงียมตามศัพท์นั้นแปลว่าความ ยินดีหรือความรื่นรมของใจพูดง่ายๆก็คือความสบายใจอันทำให้กายและวาจาก็สบาย เป็นปกติเรียบร้อยดีงามโซรดจะดังที่กล่าวนี้พูดง่ายๆในทางปฏิบัติก็คือทำใจให้สบายโดยที่ฝึกที่จะระบายสิ่งที่อัดจุนในใจนั้นให้ออกไปจากใจให้สงบ ไปจากใจในขณะที่ปฏิบัติในขันตินั้นถ้าไม่มีโสระจกักรคือการทำใจให้สบายนี้มาประกอบด้วยก็จะรู้สึกว่าเป็นขันติที่เป็นทุกข์ดังเช่นเมื่อ กระทบกับคำจากดวงล่วงเกินก็ปฏิบัติทำรรคติคือความอดทนเอาไว้แต่ว่ายังมีความเจ็บใจยังมีความโกรธความเครึ่งเครียด อยู่ในใจแต่ก็พยายามที่จะกลั้นเอาไว้ดังที่เรกบ่าอดกลั้นอยากที่จะโต้อตอบเขาออกไปทันทีอยากที่จะทำร้ายเขาออกไปทันทีโดยอำนาจของโทรศัท์ ความหรือความเก็บใจแล้วก็กลั้นเอาไว้ไม่ทำออกไปเมื่อเป็นดังนี้โทสะหรือความเก็บใจที่มีอยู่ในใจนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดขึ้นแสดงออก ทางหน้าทางตาเจนตาแดงหูแดงสแสดงออกทางกิริยาเจนสแสดงอาการคึด่ผัดหรือว่าหยิบเอาสิ่งของที่ไกลมือคขวียงปลาออกไปในแก้วก็ควางแก้วออกไปในจานก็ควางจานออกไป เป็นการทดแทนที่จะวิ่งออกไปทำร้ายเขาก็ทำร้ายพัสดุต่างๆแทนเหล่านี้เพราะเหตุที่ว่าจิตใจยังมีความเจ็บใจยังมีโทสะที่กลุ่มกัดอยู่เป็นขันติที่เป็นทุกข์ และเป็นขันติที่ทำให้ใจไม่สบายต้องกลั้นเอาไว้ต้องเดือดร้อนต้องกระสับกระส่ายดังเช่นที่กล่าวมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องมีโสรจักเข้ามาช่วยคือทำใจให้สบายระบายเอาความเจ็บใจ ระบายเอาความโกรธนั้นออกไปเสียไม่เก็บเอาไว้ให้เกิดความครึ่งเคร่งคร่งเครียดดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นรสละจะยังเป็นธรรมะสำคัญมากอันทาให้ใจสบายอันทาให้กายวาจาก็สบายเป็นปกติเรียบร้อยดีงาม ไม่ต้องหูแดงตาแดงไม่ต้องทำพืชพัดเควงโนนเควงนีดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จริงมากอธิบายโสุรจัว่าเป็นศีลพระดูที่อาการกายวาจาของภูที่ปฏิบัติในคันตินี้ว่าเป็นปกติเรียบร้อยดีงามแต่อันที่จริงนั้น ต้นเหตุก็คือต้องทําใจให้สบายตรงตรามสัพของขันติตรงตรามสัพของโสรจะจักรที่แปลว่ารอนมดีสบายดีใจดีเพราะฉะนั้นโสรจะจักนี้จึงเป็นธรรมะที่คู่กัดกับขันติเป็นขันติข้อหนึ่งโสรจะจักข้อหนึ่ง ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะที่ทำให้งามเพราะว่าผู้ที่มีคันติสรุรจะอยู่ดังนี้ย่อมทำให้จิตใจก็งามกายวาจาก็งามเพราะสามารถที่จะรับยับยั้งเหตุแห่งทุกข์ต่างๆ ไว้ได้ทั้งทำจิตใจให้สบายคือสบายดีเหมือนอย่างไม่ได้ถูกกระทบกระทั่งอะไรด้วยกายว่าจา ก, ก็ดีด้วยบริสจากอาการที่เป็นวิกลวิการต่างๆจึงเป็นธรรมะที่ทำให้งาม นี่เป็นขั้นตีที่ปึงปฏิบัติทั่วไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทองความอบสงบสืบต่อไปบัตรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น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 จะแสดงต่อไปคันติที่จะแสดงต่อไปนี้มีความหมายในทางเพื่อมรรคผลนิพพาน เพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ขันติดังกล่าวนี้เรียกว่าอนุโลมิกะขันติขันติที่ เป็นไปโดยอนุโลมคืออนุโลมต่อความเป็นชอบก็คืออนุโลมอริยมัก มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพื่อกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายคันติดังกล่าวนี้ เป็นคันติที่มีความหมายเป็นพิเศษกว่าคันติทั่วทวไปแม้ตามที่ได้แสดงอธิบายแล้ว ได้มีความหมายในทางเดียวกันกับขันติที่ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกว่าขันติปรมังตะโปติติฆา ขันติคือตีติขาความทนทานเป็นบรมตบะคือเป็นธรรมะที่เผากิเลสอย่างยิ่งเป็นไปเพื่อนิพพาน ดังที่ตรัสต่อไปว่านิพพานนังปรมังติบุทธาพระพุทธะทั้งหลายกล่าวนิพพานมาเป็นอย่างยิ่งขันติเป็นบรมตบะดังนี้ จึงได้มีพระพุทธภาษิตกลัดไว้อีกว่าขันติบลังวยะตีนังขันติเป็นกำลังของนัพรสหรือภูบมเพ็ญพรตทั้งหลายดังนี้อันขันติ ดังกล่าวว่าตรติขาขันติในโอวาทปาฏิโมกหรืออนุโลมิกะขันติกี่ยกขึ้นมาแสดงในวันนี้จึงมีความหมายว่าเป็นความอดทน เป็นความทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์คือรูปที่เห็นทางตาอารมณ์คือเสียงที่ได้ยินทางหู อารมณ์คือกลิ่นที่ได้ทราบทางจมูกอารมณ์คือรสที่ได้ทราบทางลิ้นอารมณ์คือสิ่งถูกต้องที่ได้ทราบทางกายอารมณ์คือธรรมะอันได้แก่เรื่องราวจิ่ได้รู้ได้คิด ทางมโนคือใจอดทนต่ออารมณ์เหล่านี้เพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะความติดใจยินดีก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโทสะความโกรธแค้นก็ โกรธแค้นก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโมหะความหลงก็มีเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงขึ้นไหลเข้าสู่ใจหรือจิต เพราะฉะนั้นอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายจึงมีความหมายทั้งอดทนต่อกิเลส ท, ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นๆด้วยคันติที่เป็น อนุโลมขันติหรืออนุโลมิกะขันติจึงมีความหมายถึงความอดทนต่ออารมณ์ต่อกิเลสดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นบรมัตตบัต คือเป็นเครื่องแผดเผากิเลสผู้ที่ปฏิบัติขันติฝึกจิตใจให้มีความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายต่อกิเลสทั้งหลายย่อมสามารถเผากิเลสทั้งหลายได้ ดับกิเลสทั้งหลายได้เช่นเมื่อความโลภ บ, บังเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของความโลภหรือราคะความติดใจยินดีบังเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของราคะก็มีความอดทน ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของโลภะหรือราคะเมื่อความอดทนนี้มีกำลังที่แรงกว่ากำลังของกิเลสก็ชนะกิเลสได้กิเลสก็ดับหายไปเหมือนอย่าถูกเผาไป เมื่อโทสะบังเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมีความอดทนต่อโทสะต่ออารมณ์ของโทสะไม่ยอมแพ้อำนาจของโทสะและเมื่อความอดทนนี้มีกำลังกว่า โทสะกับอารมณ์ของโทสะก็ดับหายไปเหมือนอย่างถูกเผาสิ้นไปโมหะก็เช่นเดียวกันความหลงถือเอาผิดหลงติดอยู่ในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของความหลง มีความอดทนต่อความหลงความติดและอารมณ์ของความหลงนั่นเมื่อความอดทนมีกำลังก็เอาชนะโมหะได้โมหะก็ดับหายไปเหมือนอย่างถูกเผาไป แต่ในการปฏิบัติทำคันติคือความอดทนนี้เมื่อประกอบไปด้วยกับการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็ทำให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้ ขันติที่ประกอบด้วยปัญญานับว่าเป็นยอดของขันติที่ประกอบด้วยสมาธิด้วยศีลแต่ว่าก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทั้งในศีลทั้งในสมาธิทั้งในปัญญา ประกอบกันไปทั้งสามนี้มีปัญญาเป็นยอดแต่เมื่อมียอดก็ต้องหมายความว่าต้องมีต้นมีรากด้วยศีลก็เหมือนอย่างรากสมาธิก็เหมือนอย่างต้นปัญญาก็เหมือนอย่างยอดเมื่อเทียบกับต้นไม้ ฉะนั้นแม้จะยกยอดขึ้นมาแสดงก็ต้องหมายความว่าต้องมีลำต้นต้องมีรากอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องเพียงต้องการจะชี้ว่าปัญญาเป็นยอดเพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาติจแสดงไว้ว่าปัญญาเห็นอย่างไรจึงจะเป็นฐานะที่ว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ตรัสแสดงไว้ ว่าเมื่อยังเห็นสังขาอรอะไรๆโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุข เห็นธรรมะอะไรๆคือทั้งส่วนนี่เป็นสังขารทั้งส่วนนี่เป็นวีสังขารโดยความเป็นอัตตาตัวตนเมื่อยังเห็นดังนี้อยู่ก็ไม่เป็นฐานะ ที่จะชื่อว่าประกอบด้วยอนุโลมิกะขันติและเมื่อไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกะขันติก็ไม่เป็นฐานะที่จะยังลงสู่ความเป็นชอบ คือยังลงสู่อริยมรรคมีสมาธิิเป็นต้นและเมื่อยังไม่ยังลงสู่ความเป็นชอบหรือสหรือว่าสู่สมมัติยามคือความกำหนดแน่ โดยความเป็นชอบก็ไม่เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอาเดียผลทั้งหลายต่อเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์